รยะสองสามคืนไม่นอนไม่ค่อยจะหลับเพราะโรคเหล่านี้ละมันกำเดิร์ประมาณเส้นกับกำเดิรไปอีกทางหนึ่งกระดูกหลังก็ไปอีกทางหนึ่งบวกกันเข้าเลยนอนไม่ค่อยหลับนะรู้สึกว่าเวทนามันกล้ายอยู่พอสมควรกระดูกหลังถึงขนาดจะเป็นไข้เลย เส้นตึงเจ็บไม่หยุดต้องกับนู่นมาต้องอยู่มุงทนมาไม่อาการลดลงเลยนี่เป็นอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งก็ก็อยู่ไปงั้นเนี่ยมีแต่เรื่องทาดเรื่องขันเห็น ม, มีเรื่องอะไร มองไป้างนอกก็มีถึงมือกับแจ้งก็มีเท่านั้นดูภายในก็มีแต่เรื่องถาดเรื่มกันมันกวนกันมันแสดงตัวของมันเลาผู้บารับผิดชอบมันก็ดูมันอยู่อย่างนั้นมันทำงานของมันตั้งก็สลายลงไปก็ไปอยู่ที่เดิม จิต ด, ดวงนี้ทำถ้าแก้ไม่ได้มันก็ไปทํานองที่มันเคยไปมาแล้วนั่นแนหะกี่ขับกี่กันมันหมุนมันเวียนต้องมันอยู่ไม่มีความอิ่มพอทังแต่ว่ากิเลสมันมีความอิ่มพอเมื่อไหร่มันก็ทําให้จิตหมุนตัวด้วยความเกิดจากเกิจกายไม่มีความอิ่มพอเช่นเดียวกันอาวพิสูจน์สิใคอยากจะพิสูจนให้ลูกเรา ความจริงที่มีอยู่ในจิตต้องรอเนี่ยไม่มีอยู่ที่ไหนแหละพิสูจนที่จิตเนี่ยมันเห็นลงไปชัดเจนดินังพระพุทธเจ้าท่านทรงพิสูจน์จน่งถึงในตรัสรู่เป็นศาสรรดาาองค์เอกขึ้นมาจากใจดวงนั้นแหละเนี่ยของเราก็มีเนี่ยตัวหมุน เย็นอยู่ตลอดเกิดแก่เก็บตายก็คือเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องจิตมันหมุนตัวเข้าไปสู่สิ่งนั่นสู่ธาตุนั้น น, นี้ผสมกันในพกนั้นพบนี้นั่นเองันไม่มีอะไรไมีเท่านั้นตื่นภพตื่นชาติ้งตัวเองอยู่เรื่อยมาเพราะมันไม่ทราบไปเกิดที่ไหนวก็ปรากฏขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าเกิดแ้วมันทราบว่ามาจากภพกใด ตายแล้วจะไปไหนอีกมันก็ไม่ทราบแต่ั้งๆั้งที่มันก็หมุนวงมันไปมันไ ม, ไม่ทราบนี่ตัวนักโรดนักตายใจดวงนี้ถ้าอยากจะทราบชัดเจนก็อ้องปฏิบัติต่อจิตนี้ด้วยจิตตภาวนาอย่าไม่สงสยัยไม่สงสัยศาสดา คือไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีกี่หมื่นก <c oughs> ี่แสนกี่ล้านพระองค์ที่ทำกับโลกเป็นคู่กันมาโดยลาดับทำกับโลกที่จะแสดงให้ปรากฏเป็นคู่เคียงของโลกได้ใครเป็นผู้จัสะรูร้ใครเป็นผู้คุ้นมาเป็นผู้ขุดค้นขึ้นมาถ้าไม่ใช่าศาสดาแต่และองค์ละองค์จะเป็นใครนอกนั้นไม่มีใครสามารถทำคน้นขุดค้นได้เลย เพราะไม่ปรากฏว่าเป็นสยามพูสยามพูในบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกฐานนี้มีปรากฏแต่สัตว์สดาเท่านั้นที่ว่าสยามพูสยามพูคือทรงพยายามตะเกียกตะกายเองทีเดียวอยันนี้ปรากฏทำดวงเลือดขึ้นที่ใจ เนื่ยนำามานี้ออกมาสอนโลกแล้วเป็นคู่เคียงของโลกด้วยมารเรียกว่าธรรมว่าโลกคำว่าโลกกับธรรมนี่เป็นของคู่กันมาแต่การไหนกันไหนเรื่องโลกไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์สั้นยาวชั้นใดธรรมก็มีกาหนดกดเกณฑ์ความสั้นยาวเช่นเดียวกันนั้นระยะการเวลาขนาดไหนนับไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยที่ธรรมนับมาได้เช่นเดียวกั น, น, น, น, ก, นกับ เรื่องของโลกนั้นของพระศาสดาแต่แับพระองค์สืบทอดกันมาเลยพอสิ้นศูนย์ไปส้นระยะหนึ่งแล้วก็มีาศาสดาอีกองค์หนึ่งขุดค้นขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นคู้เคียงของโลกดังที่เราได้พูดอยู่ทุกวันนี้ว่าโลกธรรมเนี่ยธรรมกับโลกอันหนึ่งเป็นโลกอันหนึ่งเป็นธรรมโลกนั่นก็คือโลกนั่นเอง จะพูดไปที่ไหนที่เป็นอะไรไปเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นภายในใจภายในกายของเราเนะ่ะโรคเป็นอยู่ในหัวใจก็เป็นเช่นเดียวกันทำก็คือยาแก้โรคนั้นจะเป็นอะไรนี่ในระยะที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีถาก็ไม่มีธรรมเมันไม่มีธรรมแล้วก็ไม่มียาที่เรียกว่าธรรมโอสถไม่มีสารโรคนี้ เดือดรดาษกันอยู่ตั้งแต่ความทุบร้อนเพราะอำนาจแห่งโรคคือกิเลสมันเสียดแทงเหยียบย่ำจิตใจแต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องแก้เครื่องตอดทอนไม่มีใครเยอะอะไรเยียวยาคือทาไม่มีนี่เราก็พวกเราก็เคยพบมาแล้วเพราะเกิดมานานแสนนานท้าทายอยู่ในวัตจักรนี้ไม่มีใครท้าทายยิ่งกว่าพวกเราแต่ละรายละลาย ถ้าทายความเกิดแก่เจิตายอยู่ในวัตจักรนี้ทําไมจะไม่ประสบพบเห็นจริงที่กล่าวมาเหล่านี้ห่ะต้องพบต้องเห็นเป็นไปจําไม่ได้ไม่ไม่สามารถที่จะจําได้ความเป็นมาของตนเท่านั้นเองความจริงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะหลักธรรมชาติอยู่ภายในใจมันเป็นเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นทั้งๆที่จําได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามเครื่องบังคับ ให้เป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ภายในจิตใจบอกชัดๆในวงปัจจุบันนี่แหละเ๋ยราจะมาตื่นอะไรอีกมีอะไรที่น่าตื่นสิ่งเหล่านี้เคยเป็นมาแล้วเท่านั้นไอ้มื่อแจ้งมื่อแจ้งนี่เราดูสิแล้วเราจะเอาเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เรามีอะไรเป็นของประเสริฐเลิศเลอภายในจิตใจพอจะให้ตื่นเต้น ดีอกดีใจมันมีอะไรบ้างเราตื่นลมตื่นแรงกันไปเท่านั้นไม่ว่าเขาว่าเรามันเหมือนกันหมดสุดท้ายมันก็มีแต่เมื่อกับแจ้งเกิดมนุษย์เกิดสัตว์เกิดมันก็ไม่ผิดอะไรกับเหตุมันเกิดนั่นแหละเหตุออกเขาว่าเหตุออกเหตดออกก็เหตุเกิดนั่นดูดิคือตอนเช้าตอนเย็นมันก็ยุบยอดตายไปทางลงไปแล้วเห็นไหมมันแก่เขาว่า ตอนเช้ามันก็มองดูก็น่าดูอืมมันเปน็นเป็นตุม่มออกมาแล้วต่อไปก็บานแล้วก็ร่วงโรยลงไปก็เท่านั้นนั่นแหละให้เราเห็นได้ชัดก็คือมันรวดเร็วเหตุมันเกิดตอนเช้าปรากฏขึ้นมาตอนเช้าออกมาตอนเช้าตอนบ่ายมันก็บานแล้วก็ออกแก่ไปแล้วเปื่อยลงไป มีเห็นได้ครับสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละเวลาเราไปฆ่าเราเถ็นเจอว่ามันยืดมันยาวไปว่าามันไม่ได้ยืดได้ยาวแล้วมันหมุนตัวของมันไปเช่นเดียวกับเห็ดนั่นแหละก็ห <c oughs> มุนตัวของมันก็หมุนอย่างเดียวกันแล้วลงไปในจุดอันเดียวกันคือท่าอันเดียวกันนั่นเองมันไม่มีอะไรที่จะตาย อ, อกตายใจได้ สิ่งที่มันหลอกมันลวงมันหลอกมาอยู่ไม่ถอยจริงๆมันถึงให้ตื่นไปตามมันตายใจไปตามมันสิ่งที่น่าตื่นไปตามมันก็ตื่นสิ่งที่ตายใจไปตามมันก็ตายสิ่งที่จะมารู้สึกเมื่อสุดตัวรู้ทั่วทุกที่ของมันมันไม่รู้เพราะไม่มีทำพาให้รู้นอกจากไม่ปรากฏนอกจากไม่ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในใจมันก็ไม่รู้จริงมันซ่านไปหมด ด้วยความวุ่นวายคือฟุ้งซ่านมันซ่านไปหมดด้วยความฟุ้งซ่านของจิตหาหลักหาเกณฑ์หาที่ยึดไม่ได้เลยนั่นแหละเป็นเวลาที่วุ่นที่สุดใจรู้อยู่นั่นแนะจับตัวไม่ได้มีแต่เรื่องความรุ่มร้อนมีแต่เรื่องสัญญาอารมณ์แล้วก็จิตดวงนั้นละ่ะมันเป็นผู้หลอกเจ้าของมันตรุงขึ้นมาเป็นภาพเป็น โทต่างๆเป็นเรื่องเป็นลาวเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องไม่มีก็มันปลุงขึ้นได้ก็เชื่อมันได้อย่างสนิท ต, ตายใจเรื่องที่เคยมีมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็ปลุงขึ้นมาให้โกหก ส, ด, สดร้อ น, อนให้ตื่นเต้นตกใจเสียใจไปตามถันเรื่องนั่นเป็นเรื่องที่เคยเสียใจก็ต้องเสียใจไปตามเรื่องนั่นเป็นเรื่องที่คนดีใจ เพิ่มเพลนหลงไหลก็เพิ่มเพลินหลงไหลไปตามมันจนได้ น, ะนี่มันขึ้นในหัวใจเจ้าของนั่นปรุงในหัวใจนั่นเป็นภาพหนึ่งหัวใจนะเจ้า ก, ก็หลงกับภาพเจ้าของนั่นเหมือนเด็กเล่นตุ๊กาตาผิดอะไพวกเราเล่นกับภาพตัวเองเลาะเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองเป็นอย่างนั้นเนะี่ยเพราะสติปัญญาไม่มีพอที่จะทราบวันนี้เกิดขึ้นจากอะไรมันมาจากไหนแต่ไม่พ้น เรื่องจิตตภาวนามันเจะพุงสร้างบุวาขนาดไหนก็ก็จิตดวงนี้แหละผู้พยายามก็คือผู้นี้แหละฟัดเหวี่ยงกันไปกันมามันหลายครั้งหลายหนมันก็พอได้เงินได้เหตุได้ผลจากกันแล้วก็พอฟัดผูกเห่างกันไปสุดท้ายก็ตามกันทันตามกันได้จิตไม่เคยสงบมันก็สงบให้พอสงบแล้วมันก็ไม่มีเรื่อง เราสังเกตดูสิเวลาจิตของเรามันไม่สงบมันเป็นยังไงนั่นแหละมันสร้างเรื่องมีแต่เรื่องยุ่งเรื่ยองวุ่นวายตลอดอืแม้แต่หลับมันยังฝันไปอีกอืฝันสดฝันร้อนฝันสดก็คือฝันเราอยู่นั่งนั่งเฉยๆมันตรุงแต่นวุ่นวายไม่ทราบกี่ร้อยกี่พันเรื่องอืตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับนี่เรียกว่าฝันสดก็หลงทั้งสดล้นล้นอยู่เวลานอนหลับไปอีกฝันไปอีก ก็หลงไปอีกแบบหนึ่งอีกบ oh, oh, อกว่าเมื่อคืนนี้ฝันยังไงไปอีกเนี่ยสองชั้นสามชั้นมีแต่เรื่องถูกต้มถูกตุก๋จากสิ่งเหล่านี้เวลาจิตมันสงบเข้าไปเรื่องทั้งหลายมันก็สงบนั่พอจิตสงบเรื่องก็สงบเพรามันไม่ปรุงหลอกเจ้าของนี่ยิ่งเวลามันสงบแน่วลงไปได้หยุดกึกเรื่องความคิดทั้งหลายเลย เหลือแต่ความรู้ล้นล้วนขาดออกจากสิ่งภายนอกสร้างภายนอกไม่มีปรากฏในความรู้สึจกจของมีแต่ความรู้สึกเจ้าของอย่างเดียวเท่านั้นไม่สัมปัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเลยนั่นแหละเรื่องไม่มีเลยเวลานั้นเราก็ได้เห็นอ๋อพอจับเงื่อนได้ว่าที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะนี้ออกแสดงตัวต่างหากเนี่ยเวลาผู้นี้มาแสดงตัวออกไปก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเรื่องมันเกิดจากผู้นี้มีพอจับได้เพียงเท่านี้ก็พอได้เงื่อนี่ อิจเพียงขั้นสมาธิที่สงบตัวลงไปนี้ก็พอได้เงื่อนได้เหตุได้ผลบ้างนี่ต่อไปก็จะมีแก่ใจที่จะพยายามระงับดับเรื่องและถอดถอนเรื่องออกจากภายในจิตใจข้งตนเพราะมันเกิดขึ้นจากที่นี่นี่มันมีอะไรที่พาให้เกิดมีอะไรบันดลบันดาลมีอะไรบังคับบัญชาหนุนให้มันเกิดเรื่องต่างๆมันถึงเกิดเนี่ยหือค้นไปจนกระทั่งมันขาดไปโดยลําดับลําดาบ รูปเสียงกิ่นลดเครื่องสัมผัสกับกจิตใจก็ขาดจากกัร น, นี่คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกิ่นลดเครื่องสัมผัสก็เพียงสัมผัสสัมพันธ์แต่มันขาดจากกันขาดจากกันเพราะปัญญาได้รอบตัวแล้วนี่มันก็รู้ น, นี่แล้วจะรู้ตัวจิตตัวนี้กิต ด, ดวงนี้ดวงที่ว่านักท้าทายความเกิดแก่เกิดตาย ชาไทยในสามแดนโลกธาตุนี่คือจิต ด, ดวงนี้แต่ละหลา ย, ลายนี่เนี่ยเป็นตัวการที่สุดมันไปได้หมดอย่าว่าพบนั่นไปไม่ได้พบนี้ไปไปได้มันไปได้ทั้งนั้นจิต ด, ดวงนี้ที่มันคลองตัวอยู่เวลานี้กับตัวเราตัวท่านนี่จะเป็นดวงไหนเราเอาตรงนี้พอเราจะแก้จิตดวงนี้นี่เราต้องเหมาเอาตรงนี้เพราะเ ร, ะดดเ ร, ะเรื่องจิต ด, ดวงอื่นเราไม่ได้ไปรับผิดชอบเขาเนี่ยจิตของเรานี่ยเราเป็นผู้รับผิดชอบพบไหนมันจะไปไม่ได้จิต ด, ดวงนี้นะ มันสร้างได้มันต้องไปได้มันสร้างอะไรที่จะให้เกิดในภพใดชั่วหรือดีมันสร้างเองนะมันสร้างภายในตัวของมันแล้ววิบากมันเป็นผลก็หนุนกันไปให้ไปเกิดน่ะทําไมมันจะเกิดไม่ได้ดีเวลาเราพิจารณาเข้าไปมันแก้เข้ามาจริงจิมันก็เห็นชัดๆด้วยภาพปฏิบัติเราอยา่าคาดอย่าหมายทําบุญเจ้าไม่ใช่ทำพลาดคะเนีเป็นธรรมของจริงล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นถ้ามีพันเปอร์เซ็นก็พัน เต็มที่ไม่มีบิดไม่มีบินไม่มีปลอมมันมีหมื่นเปอร์เซ็นต์เข้าไปก็หมื่นหมื่นทั้งหมื่นเลยจ้ ะ, ท, ะทําบุญญาธิบริสุทธิ์หมดจดเป็นของจริงล้นล้วนหมื่นเปอร์เซนเอามาปฏิบัติซิตั้งแต่ยิเลมมันปลอมได้เท่าไหร่ร้อยหมื่นแสนเอร์ซ็นเล่ายัางเชื่อมันสักขนาดนั้นทําไมทําเป็นของจริ ง, 100งร้อยเปอร์ซนจะเชื่อไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์สองเปเ็นต์มีหรอเอาซิเอามาเพื่อปฏิบัติซินักปฏิบัติต้องเอามาเทียบเคียว บวกลบคูณหารกันระหว่างดีกับชั่วระหว่างจริงกับปลอมไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะอย่าไมาบอกนะเอามาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วมันก็จะต้องปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้เป็นตัวเหตุเป็นครั้งแห่งเหตุทั้งหลายเป็นครั้งทั้งกิเลสปัญหาสภาวะทุกข์เพี ด, ด้วยจะเป็นครั้งทั้งธรรมะตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำจนกตั้งถึงธรรมะสูงสุดพิมพิพานจะไม่เจอที่ตรงไหนจะเจอที่ใจนี่ครั้งของธรรมก็อยู่ที่นี่ของภาคปฏิบัติดําเนินไปตาม ที่กล่าวนี่เถิดจะไม่ไปไหนเลยแล้วเรื่องทั้งปวงนี่จะเราจะทราบไม่ว่าจะพบน้อยพบใหญ่พบนั่หนัก็ตามแต่มันประกาศกำบางอยู่ภายในจิตใจตรงนี้แหละมันจะทราบในนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอันนี้เป็นหลักปัจจุบันจะกระจายไปทั่วหมดอดีตอนาคตไม่มีอะไรลี้รับได้ใรงเรียนจิตในปัจจุบันนี้มันได้กระจ่างไปแล้วเท่านั้นนี่ก็พูดถึงเรื่องว่าความขาดการที่จะมันจะขาดเป็นมัด เ, เป็นตอน ระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายการรูปเสียงกลิ่นรสเครืงสัมผัสเพราะมันขาดที่ใจอันนี้เป็นทางเดินทางประสานต่างหากไม่ใช่เป็นตัวกิเลสรูปไม่ใช่กิเลสเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่กิเลสตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่กิเลส <c oughs> นะมันเป็นทางเดินประสานหากันต่ั้นตัวใจต่างหากเป็นเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นตัวพบตัวชาติเพราะฉะนั้นจึงต้องมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรจรึงนําเรื่องอันนั้นเข้ามาเกี่ยวข้ อ, ของกันมาประสับประสานมาพิจพิจารณามาแยกมาแยกกันจนตั้งเห็นชัดเจน ทั้งรูปก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตาของเราก็เป็นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างนั้นนี่หูขงเราเป็นอย่างนี้มาเทียบกันเหตุการผลเหตุผลกันมันก็สักใจว่าเครื่องมือหรือบาดทางเดินของกิเลสเท่านั้นแหละกิเลสมันเดินทางสายเนี่ยเดินไปทาทางตาไปสู่รูปหูสู่เสียงเป็นรถเครื่องสมบัติไปอย่างที่ว่ามาเนี่ยนี่เวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปมันรู้ชาติตามไปกินมันก็ปล่อยแล้วสิมันจะไม่ปล่อ ย, อยไงรูปมันเป็นอะไรก็สักว่ารูปเนี่ยเสียงก็สักว่าเสียงก็ได้ชัดเจนมาแล้ว ตาหูจมูกนิ้วกายมันก็ชัดของมันนี่มันก็ขาดเนี่ยเพราะใจขาดใจเข้าใจใจรู้เรื่องใจก็ขาดจากสิ่งนั้นเพียงตัวนี้รู้แล้วนี่ที่มันจะไปติดไปต่อกับเรื่องอะไรๆกว้างแค่ขนาดไหนมันทราบชัดเจนแล้วตามภูมิของกิตในขั้นนี้ก็ทราบแล้วว่าจิตนี้มันขาดว่าขาดตอนในเรื่องพบใดภูมิใหพบหยาบขนาดไหนมันผ่านเข้มามันรู้มันรู้นะ ัถึงพบละเอียดอย่างที่ท่านสอนไม่วกอนาคตมีนี่คือพบละเอียดและพบนี้เป็นพบอัตโนมัติเป็นพบภูมิที่จะ ก, ก้าวไปโดยลาพังตนเองจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไปเลยไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกถ้าเป็นผลไม้ก็มันแก่เอมที่แล้วเรียกว่ามันหามไปแล้วนี่ถึงขั้นหา้าหามแล้วมีแต่จะสุกไปท่าเดียว จะสอยลงมาไม่สอยลงมาก็ตามจะสุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่มาบม่มไม่บม่มก็เป็นก็สุกอย่างเดียวถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ละเอีถึงขั้นนี้แล้วยิ่งรู้อย่างชัดว่าไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องมีความรู้ของตัวเองเท่านั้นแล้วติดก็ติดอยู่นี้เท่านั้นถึงติดก็ตามติดอันนี้ไม่พ้นกิจภาพันต์ไปได้ต้องเป็นประด้านโดยหลักอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพัฒนาคามีจึงไม่ลงมาเกิดนี่คือแมันเห็นใน ห, หัวใจเจ้าของสิ ท่านสอนไม่นั่นสอนอะไรสอนพวกเรานี่นะ่ะปฏิบัติให้เห็นภายในจิตใจต้องเห็นต้องรู้อย่างนั้นไม่ต้องไม่สงสัยเอางี้ทำมาเป็นของจริงฐันที่โกดิโกสอนใครสอนพวกเราสองผู้ปฏิบัติเราจะต้องเรียนที่ตัววิอยู่หีใครจะรู้ทําให้ผู้ปฏิบัติไม่รู้จะเป็นใครตาสีตาสาก็ไม่สนใจกัะบากับธรรมเขาจะเอามารู้ได้ยังไงผู้ปฏิบัติทําต่างาจะเป็นผู้รู้เห็นถ้ามันเห็นธรรมูลเจ้าของจริงมันมีการสถานที่เมื่ อ, อไหร่ อาการดโกฟังให้อาการิโกอาการดโก้สวดยทุทธวันทำปฏิบัตินี่มือนันเห็นนี่มันดูนี่นะตัวนักท้าทายเกิดใจตายขึ้นใจดวงนี้เวลาตัดเข้าไปโดยลําดับลาดาลแล้วมันก็สั้นกระมาสั่นกระปาจนไม่ทั่งถึงเหลือแต่เหลือแต่ตัวอันเดียวตัวเชือ้อแล้วก็ขนาบลงไปตรงนั้นอีกด้วยสติปัญญาที่ทันสมัยที่เพี่ยนใจขาดสะบัน้นตรงมันเห็นประจักษ์ทันี้ไม่ต้องไปรอพบใดแหละ เราเห็นประจากษ์ภายในกิจใจมันมวิมุตหลุดพ้นหลุดพน้ดพนที่ไหนหลุดพ้นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ถูกจําถูกจองอย่ไม่ใช่อะไรถูกจําจองตาหูจมูกลิ้นการมันถูกจําจองที่ไหนใจต่างหาถูกจําจองเมื่อแก้ถึงแก้ที่ใจแก้เข้าไปแก้ไป ไ, ไปเมื่อมันหมดที่ใจแล้วจะไปถามหาที่ไหนอีกพระพุทธเจ้ามีร้อยองค์ก็สาทูไม่ทูลถามท่านทูลถามทำไมาสารติโกรประกาศต่างวันอยู่เป็นของนี้ด้วยกันตั้งนานนับแต่พระพุทธเจ้าทำงานจะทั่งถึงสาวกสุดท้ายเหมือนกันหมดคําว่าสารติโก ไม่มีใครยิ่งหยองกว่าใครแหละนนนท์ติ้ซ ย, ยูว่าปาปิโยชน์้ะมันเห็นประจักษ์ภ า, ภ า, ภ า, ายในจิตใจของมันเลยทำของจริงไปีใครรู้เขาจริงทั้งนั้นสดสดร้อนๆอนไม่เลย ล, ล่าไม่เลยคืบล่าแต่ไหนล่าสมัยมนนอกจากกิเลสมันลหลอกตกหัวเราเล่นเหมือนเราตกหวตัวจุนัดเราโง่จะตายไปให้กิเลสมันตกหวัวเล่น ธรรมะไม่เอามาไป ต, าตอกหัวกิเลสบ้างได้เรื่องอะไ ร, ไไรปีิมาใช่เป็นยังไงรู้ทำรู้ยังไงได้ยินแต่แตำหนักตำราว่าท่านรู้ทำท่านรู้อย่างนั้นอย่างนั้นท่านมันรู้สัวดาท่า น, นรู้สกิทธามันรู้อนนาคาม่านรอรหัตหลานท่านมันรู้อย่างนั้นอย่างนั้น <c oughs> เหมือนกับว่าเรื่องทั้งหลายมีอยู่กับท่านแล้วเราเป็นทรงไว้ซึ่งความสุดรเอื้อมหมดหังอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ธรรมะนี่เป็นธรรมะของสัตว์ทั่วไป พระองค์ประทานไว้หมดนี่เรายิ่งเป็นมนุษย์ที่เบอร์หนึ่งด้วยที่พร้อมที่จะได้รู้ได้เห็นพร้อมทั้งโดยการปฏิบัติที่จะให้รู้เห็นทำทั้งหลายมีใครมนุษย์เท่านั้นเป็นเบอร์หนึ่งนี่ถ้าเราไม่ได้ได้แล้วใครจะได้เราจะไปทิ้งความหวังให้ให้กับผู้ใดแล้วความสมหวังเราจะมากออปวยคนเดียวของเรามันโง่ขนาดไหนเอาที่นะักปฏิบัติมีิมนิฉัยกับาของแล้วนะการพูดนี้พูดเพื่อให้อุบายเข้าไปมินิชัยเจ้าของไตส่สวนเจ้าของถามเจ้าของซักเจ้าของ มันโง่อะไรนักหนาให้มันฉลาดบ้างสิทำมาเครื่องฉลาดที่จะแก้กิเลสตัวมันฉลาดแต่สอนทำเราให้โง่มันมันมีอยู่ด้วยกันแก้ลงไปสิเมื่อถึงขั้นทำฉลาดแล้วฉลาดไม่ต้องสงสัยอาถรรพไม่มีคำว่าสะทกสถานล <c oughs> งทำแล้วใจตรงนี้เวลานี้มันมันอะไรมีแต่กิเลสสร้างตัวของมันตั้งนั้นนี่ก็เคยพูดแล้วนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่คนเป็น ส, สดๆร้อนๆอ มันเกิดที่ไหนล่าสมัยที่ไหนทำของจริงเป็นอย่างนี้จริงๆนี่เวลานี้ยิเรมมันสร้างตัวมันอยู่ภายในจิตใจของเราของเราทั้งหลายเนี่ยธรรมธรรมชาตินี้มันจึงเป็นตัวท้าทายเรื่องความเกิดจากเกิดตายไม่หยุดไม่ถอยแป้ว่ามีการสถานที่เป็นลำเวลาด้วยนะอืมวัดไม่ได้ว่าสั้นมายาวเฮ้เราก็สร้างทำขึ้นสิแทรกเข้าไปมันเกิดในจิตดวงเดียวกันนะยิเรมเกิดในจิตได้ทำมากเกิดในจิตได้อืม กิเลสสังหารทําได้ทําสังหารกิเลสได้ภายในจิตดวงเดียวกันเวลานี้เราจะเอาทําสังหารกิเลสอ้ามันได้เลยมื่อเวลาทํามีกําลังสร้างตัวขึ้ น, นภายกิจิจิตนี่แล้วก็เป็นเป็นการทําลายกิเลสไปในตัวในขณะที่ทําสร้างตัวเองขึ้นมาและแล้วก็เป็นการทําลายกิเลสไปในตัวไปในขณะเดียวกันจนกมะทั้าทางกิเลสไม่หมดไปหมดไปแล้วหมดเตี้ยงไม่มีอะไรเหลือแล้วถามมาทําไม ถามมาที่ผ่านถามมาอะไรท่านบ้านนิพพานนิพพานคืออะไรเหมือนอย่างว่าอิ่มอิมอมันถามมาที่ไหนกินลงไป้มันรู้สิเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานใครจะจะบอกใครได้เครื่องสัมผัสน้ําพันธ์ให้รู้รสเปรีย้ยวหวานเค็มมันอยู่ในตัวของเราทุกคนทุกคนอยู่ในลิ้นพูดง่ายๆอยู่ในลิ้นในปากของเราความอิมนน่มท้องทั้งร่างอยู่ในตัวของเรานี่หมดมมเค็มก็รู้หวานก็รู้อืมอิ่มขนาดไหนก็รู้อิมนานานอ่มสุดขีดมันก็รู้ถามกันหาอะไรไม่มีใครถามกัน นี่ก็เคยพูดแล้วแล้วองสันติโกก็แบบเดียวกันนั้นนะไม่ผิดอะไรกับการรับฐาง น, นี้เลยส่วนร้อนๆอย่างนี้จะไปค้นไปที่ไหนลาสไหมทีไหนถ้าไม่กิเลสมันหลอกเท่นเป่าๆนั้นอืม่างไปสิมันได้เห็นทีนี้กิตเมื่อเวลามันถึงขั้นเต็มที่ของมันแล้วไม่มีอะไรเหลือภายในนั้นขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเหลือแล้วมันจะเกิดที่ไหนเอาใสไปสิไม่ว่าตายกลางค่ำกลางคืนตายเวลาไหนตายเอียบดตายตายด้วย เหตุผลกลายอะไรมันเป็นเรื่องภาพุธาตุเรื่งขันสลายตัวไปทำไนธรรมชาตินั่นมันตายตัวแล้วฉันเรียกว่าอกุปะอกุปะแปลว่าอะไรหาความกเริบไม่ได้นั่นพระโสดาก็ไม่กําเริบที่จะลงมาเป็นปุตชชนพระสกิทาก็ไม่กําเริบที่จะสลายตัวลงมาหรือว่าเสื่อมลงมาเป็นเป็นพระโสดาพผ้านาคาก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นเป็นผ้าสกิทาพระละหันไม่เสื่อมเป็นผ้านาคาและไม่เสื่อมมาเป็นปุตชชนนั่นยิงเนี้ว่าอากูปะธรรมอกุปะธรรม กูปมัมธรกูปทัทธรทำไม่กาเริบไม่กำเริบไปเรื่ดับระดั บ, ดบจนกระทั่งถึงมิมุตหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนึกว่าไม่กําเริบโดยประการทั้งปวงนั่นถห้มันเห็นในะหัวใจเจ้าของที่แล้วมันก็หาสงสัยเองจะไปสงสัยใครถ้าลองเจ้าของประกาศกลางวานันขึ้นในหัวใจเจ้าของแล้วจะไปสงสัยผู้ไหนผู้ใดที่ไหนอีกถ้าไม่ใช่บ้าวางนั้นเลยถ้าอาหารหันบ้ามันเป็นได้เช่นป่ามุกบีปีปิดสำเร็จแล้ววัน วันหลังวันหลังมาเป่าปี่ดิมันไม่สําเร็จมันบ้าสองชั้นถ้ามันแบบนั้นมันเป็นได้ถ้าเป็นแบบาศาสดางองค์เอกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ตามาหลักของสวดคาาธรรมแล้วเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทำของจริงอันนี้มีแต่ชื่อมีแต่เสียงของธรรมอยู่เต็มอยู่คัมภีร์บราลานเต็มอยู่กับความจดความจํามันไม่ได้เต็มอยู่ในความจริง มีแต่ความจดคํามจำเอามาโอมาอวดกันที่เฉยแล้วกิเลสยิ่งมีกําลังมากยิ่งสนุกเหยียบหัวก้นที่สําคัญตนมานรู้ว่าฉลาดเพราะการศึกษาเราเรียนมามากเราหารู้ไหมว่ากิเลสมันขึ้นเหยียบสนุกรีดกินหัวใจเราจนแหลกทั้งทั้งที่เราว่าเรามีความรู้มากนั่นแะนี่คือความจํามันเป็นอย่างนี้จาไม่เฉยจําไม่เพื่ อ, เ พ, อเพื่อปฏิบัติถ้าจําเพื่อปฏิบัติเอานั่นละ่ะกิเลสเริเร่มร้อนแลายสิ่งนะ รอนแม่ร้อนลูกมันไปแล้วแหละเดี๋ยวกับบ้านแตกถ้แหลกขาดถ้าลงปฏิบัติไปจับเข้าไปแล้วมันเป็นความจริงจะรู้ของจริงไปโดนดับแับนี้จนกระทั่งกิเลสพังพังเพราะปฏิบัติพูดเร่องนี้เราก็ยังทําให้ระลึกยับไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมไม่ลืมอะไรที่คิดกับท่านผมไม่ลืมตอนนั้นตอนนั้นเรากําลังจนุนโมลุ่นวายท่านก็เป็น่าตุของขันธ์นก็เพียบ เราทางด้านจิตใจก็เพียบมันเพียบไปคนละด้านท่านก็เพียบทางด้านธาตุขันธ์จิตท่านไม่ได้พูดละไม่หมายอะไรแต่ถึงอย่งนั้นเรื่องตัวกิเลสมันก็ไปแทรกกันได้นเดี๋ยผมถึงได้พูดให้เ่อฟังเวลาดืดๆท่านมีลักษณะเหมือนจังเหมือนเหมือนควนเหมือนครางอี๋นิดๆหนาไม่ได้มากนะก็เราก็อยู่นั่นน่ะมีลักษณะอีเหมือนอีเหมือนเหมือนลองเหมือนครางเบาๆน่ะ มันก็แยกขึ้นมาแต่แยกเราระวังนะเวลาท่านเป็นอย่างนี้นั้นท่านจะมีท่านจะมีเผลอบ้างไหมนะเท่านั้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนอันหนึ่งมันตีปั๊บเลยไม่ไม่ให้กำเริบยิ่งกว่านี้ไปพูดยังไงเพราะมันระวังเพียงมันแย่ออกไปเท่านั้น่ะเวลาท่านมีอาการอย่างนี้ท่านจะรู้สึกท่านจะมีเผลอบ้างไหมนะเท่านั้นะ่ะเราก็หยุดทันทีเลย แล้ำไว้ด้วยไม่ลืมนะมันเป็นของธรรมชาติั้งมันเองยังไม่ต้องเรื่องมันผ่านไปท่านกับปรินิพานไปแล้วเรื่องของเราถึงมามันมาเป็นที่หลังเรื่องราวเรามาเป็นที่หลังแล้วกราบขอกขมาโทษท่านเลยอันนี้เราแน่ใจ1้0เ็นว่าเราหลุดไปเลยไม่มีอะไรเหลือเว้นแต่แบบเรากลัวเราเป็นหมาตอนนั้นนั่นถึงมันตาย ก, ก็ไม่หมดเพราะเราก็รู้อยู่ในใจของเรา กลัวเป็นหมาเออพวกนี้มาเพื่อปฏิบัติเพื่อหมาเลยหรือเพื่อเพื่อพร ะ, ระพหรือเพื่อหมามามาเพื่อปฏิบัติเพื่อพระมันขึงขังภายในใจนะอืเข้าใจว่าตัวบริสุทธิ์เข้าใจว่าตัวจริงจังแต่เมื่อเด็กเข้าแฝงไปนั้นเราไม่รู้เลยอันนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่หมดเราแน่ในจิตใจเราแต่ที่เราไปคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องท่านเะที่ท่าน ท่านมีลักษณะเวลาท่ามีลักษณะนี้ท่านจะเผลอบางไบ่นานนี่หมดเราแน่ใจเพราะเราระมัดระวังมากพอมันแยบงันเราก็รีบเหมือนกับว่าตอบคนลงทันทีเลยแล้วก็ไม่ลืมขนาดกิจที่มันคิดทัานท่านอย่างเวลาเรื่องของเรามันผ่านไปทีหลังเรามันถึงมากลับยอมในทันทีโอ้โหทำไมถึงกิจพิดพิดผิดเอามากมายค่าตัวแม่คุณอาจารย์อคนมีกิเลสไปคาดคนสิ้นกิเลสมันคาดกันได้อย่างนี้เที่ยวเหลวทาไมกิเลสพายฆ่าตั่งมันยอมเคาะพ่อประกาศ ปธิท่านอืมไปกราบขอกรรมาโทษอธิท่านอันนี้ปรากฏว่ามันโล่งไปเลยทันทีไม่ปรากฏว่ามีอะไรตกข้างแต่คำว่ากลัวว่าหมานั่นจงจนกระทั่งมันตายเรายอมรับอันนี้หือจิตท่านขึ้นเลยแล้วใจท่านมาเป็นอะไรอีกอลงจิตบริสุทธิ์จิตเป็นถึงขนาดอร่าตภูมิบริสุทธิ์เต็มที่แล้วยังจะกลับมาเป็นปุถุชนอีกศาสนามีความหมายอะไรวะนั่น ทำอาวุเจที่มาสวดาโตมหมายความว่ายังไงนั่นสิคาโตก็ตาธรรมุ่นธไม่ชอบแล้วมันชอบอะไรอืมมาเป็นอย่างนั้นแล้วกลับเป็นอย่างนี้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมากลับเป็นอย่างนี้อีกมันแต่ไม่ชอบอะไรถ้าไม่กิเลสมันสอมันมันหลอกเท่านั้นเองเออทํำของจริงเป็นอย่างนั้นนี่แหละกิเลสมันสวม่อยมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเราเราจําไม่ลืมไม่ลืมเลยมันสวม่อยตั้งแต่บัดนั้นผมไม่ลืมกระทั้งบัดนี้นะนี่นันมันสวม่อย ตั้งตั้งทีง่มันอาศัยเจตนาว่าดีนั่นว่าเจตนาดีนั่นแะมันสวมลอยอเรกไม่้ทงท่านเราก็เชื่อท่านมาตั้งแต่ไปฟังเหตุฟังผลกันที่แรกคนะ่ะงแน่ใจว่าร0อยเปอร์เซ็นต์นาดนั้นนะอาจาท์ทานกินไปเยับนี้นั่นจะมีเวลาเผลอบ้างไหมนะเหมือนกับท่านจะเป็นผู้แบกสติแบกปัญญาไวอ้อย่างนี้ประคองอหรหันต์ไวอ้อย่างนี้ เป็นลักษณะมันเป็นลักษณะ น, นั้นเหมือนว่าท่านเอามหาสติมหาปัญญานี่ประคองไว้แบกหามจิตดวงบริสุทธิ์ไว้องนั้นกลัวจิตดวงบริสุทธิ์นี้จะทาดไปจากมหาสติมหาปัญญาแล้วจะจมมันเปน็นอย่างนั้นมันจึงต้องถามท่าน <c oughs> จึง จ, ง, จ, ง, จ ง, งสงสัยว่าเฮ้เมื่อจิตท่านมีลักษณะอาการท่านมีลักษณะนี้ท่านจะมีท่านจะเผอบ้างไหมนะมันจึงไปอย่างนั้นส่วนที่ว่าพูดว่า เพราะทำไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยรู้เคเห็นมันก็สงสัยบ้างเป็นธรรมดาก็ยกไมปแต่เมื่อยกขึ้ถึงเรื่องว่ากุปฐธรรมอกุปฐธรรมะเขาอลไรสักสิมันค้านกั น, นมันลบล้างกันอันนี้จะอย่างเต็มที่เลยว่าที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเนี่ยเป็นธรรมไม่เคยรู้เปนธรมเเห็นก็สงสัยบ้างอะไรแล้วลกุปฐธรรมอกุปฐธรรมใครตัดไว้นั่นนี่ก็ศาสนาองค์เอกยิ้มพุทาสตร์ไว้สวกาโตกตาธรมโอใครพุทตร์ไว้ศาสนาองค์เอ้าเรารู้ตามความจริงแล้วมันจะไปไหนน่ะ ถ้ามันไม่ลงตรงนั้นมันจะลงตรงไหนเนี่ยมันก็หมดปัญหาพอรู้ก็ไปจนนั้นมันก็หมดปัญหาด้วยกันนั่นแหละเรื่องเงาปัญหามาจากไหเพราะทํานั้นไม่ใช่ทาปัญหาเรื่องของปัญหาคือเรื่องของกิเลสทั้งนันเขาแทรกเขาแทรกนั้นถ้าหมดกิเลสไปแล้วมันก็หมดปัญหาไม่มีอะไรมือนพากันจิงเอาจิน ง, งโงจังนะอย่ามาทำเล่นๆนะ ผมไม่ใช่น้ำหนักอยู่นะไม่ได้ทําอะไรกับหมู่กับเพื่อนอนะ่ะมันหนักหนักมนนักแบกในด้วยความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรกันอยู่นี่กองทา่าแขันก็อย่างที่หมู่เพื่อนเห็นนี่แหละผมแบกว่าผมผู้กงกองผมไม่ใช่ผมอวดนะผมแบกไว้เพื่อหมู่เพื่อนคณะตอนนั้นนับแบกท่านไปแขันนี่ถ้าลำพังผมผมไปแล้วนี่อยู่ไปทํำไมไอ้แบกแข่งห้ากองท่าดินสี่ดินน้ำหนุนไฟแบกไปทําไมือมจะหวังเอาอะไรจากมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ไม่หวังด้วยนะ ยังมีคิดอยู่นี่เราก็ไม่หวังเราหวังอะไร อ, ไรอกับมันเี่เราไม่เคยหวังนอกจากมีความเมตตาต้องสารหมู่เพื่อนประชาชน ญ, ญาติโยมมาที่สัตว์เกิดทัดเพจตามื่ศาสาตร์้งหลายที่เป็นเพื่อนตู้เกิดตายด้วยกันมดทั้งทีงนี้เท่านั้นผมไม่มีอะไรที่จะหวังสําหลังเจ้าของหญิงก็หวังหาอะไรลังอะไรมนันเจ้าอะไรกับมาณดินก็ทราบแล้วว่าดินเนี่ยรับตื่นลืมตามันก็ดินเนี่ยน้ําลมไฟรับตื่นลืมตามันก็ดินน้ําลมไฟไง จะไปพลิกไปให้ม่เป็นอะไรไปอีกแล้วจะแบกมันหาอะไรอีกถ้ามารู้แล้วแบกหาอะไรเนี่ยมีเสียษวิโสอะไรกับดินน้าฝ น, นไปนี้นั้นขอให้ใจมีเศษวิโสเถิดมันจะทราบเองเรื่องเหล่านี้น่ะทามันจริงที่นักปฏิบัติอย่ามันเราะๆแหล่ะนะเหมือนมาทําเป็นของเล่นที่เศษเป็นของจริงไปอย่างนั้นเวลาเนี่ยมันพลิกกันไปอย่างนั้นนะทําการเป็นของของเล่นไที่เศกเป็นของจริง ถ้าเป็นเรื่องที่เหลวมันจริงจังทุกอย่างถ้าเป็เรื่องทําทำเหลวไหลเราเราแหละแน่ะจะเมื่อมันเป็นเมืเ่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะว่าที่เดลวเป็นของจริงทำง เ, เป็นของเหลวไหลยังไงเป็นเรื่ของปลอมงไงมันต้องเป็นหนึ่งว่าภายในหัวใจเรานั้นปากพูดออกมาว่าทำเป็นของจริงที่เหลป็นของปลอมว่มาไปงั้นแหละหยิหลยพาให้ว่าถ้าทำพาให้ว่ามันจริงตึงเลยเดี๋ยวขอให้ทําถึงใจเถอะพูดไม่พูดมันก็ถึงใจตลอดเวลาเห็นมากนะพระน่ะ ควนจะขยับขยายก็ขยับขยายนั่นแน่นจนจะหาที่อยู่ไม่ได้เลยทาไงแล้วท่านสุทินไปออกภาษาภาษาที่แล้วจำภษาที่นี่ใช่ไหมแล้วออกภาาลวไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนียฮะโกโโกโศ ไ, ไปไหนไปทางไหนบ้างว่าสิเฮ้ยเพื่อัง มันไปเที่ยวเราเราแหละรเร่งเกหรอถ้าจะเป็นอย่างนั้นเราอย่ามาอยู่นี่นี่นะเสียเวลาสอนแทบย่อมแทบตายไปเที่ยวเลี้ยเล่าไหลรู้เรื่อโรกเลีกไปองั้นมันไม่คุ้มค่าที่สอนหมู่เพื่อนถ้าเป็นแทบตายผมสอนผมสอนด้วยความยิ่งใหญจริงผมไม่ได้สอนเล่นๆนะทุกอย่างสอนหมู่เพื่อนดุก็ดีดูก็จริงดึกทางนั้นจะดุก็ตามจะดีก็ตามจะอะไรก็ตามจริงทั้งหมดเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ดบได้ดีด้วยความดุก็ก็เพื่อน่ะ เพื่อความด้วยความดีนะั่นก็เพื่อเพราะเป็นของจริงด้วยกันแล้วสอนด้วยเจตนาโดยถันจะเด็ดจะเดียวจะดุดาว่ากล่าวขนาดไหนเป็นไปตามความจริงเท่านั้นด้วยเจตนาเด้วยหมู่เพื่อนรับความดีความดีจา ก, การแนะนําสอนทั้งดุดาว่ากล่าวทั้ง ด, ทงดีทั้งดีนั่นแหละไม่ได้ทำศักแต่ว่าทํานะโอเคนั้นรู้สึกเหนื่อยอถ้าพูดมันมันเป็นมันเอะมันว่างไงมันเป็นแล้ว ม, ม, ม, มันกระเทือนนี่แหละ ใครไม่ทราบว่าใครมาจากไหนแต่ไหนบ้างหน้าใหม่ๆยังมีเยอะเนี่ยมองไปล้วก็ไม่ทราบว่าชื่อว่างไงท่าไงเพราะเราก็ไม่ถามเราเพียงประคองธาตุขาขนน้องนนี่มันกระพอตัวอยู่แล้วเวลาเนี้ยนี่ก็ๆๆามาประคบยายุ่งอยู่ตลอดสองสามวันน่ะมั น, นไม่ได้อยู่สะดวกสบายเไยมันเป็นมั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นนี้นันนนนนนนน้น น, น่ะเป็นธาตุขันยาจีนอันนี้กันนนวัต ด, ดี โรหัวใจรู้สึกว่าเบาไปมากทีเดียวถ้าไม่ใช่ยากรีนที่ออกมาชั้นคราวนี้ผมไปนานแล้วนะเพราะไอ้ที่มันหอกันมันบอกชัดเจนเลยจนเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยถ้าเป็นอย่างนี้คุณเป็นอย่างนี้นี้จะไม่เลยเจ็ดวันนุ่นขนาดนั้นเพราะมันรู้มึงขนาดที่ว่าเรานอนไม่ได้ถ้านอนมันจะไปอังคารนัน่มันรู้จัดชัาขนาดนั้นกลางวันก็ไม่กล้านอน เวลามันหอบผ้าห้างห้างกนตายง่ายที่สุดรว ด, ดเร็วที่สุดด้วยมันบวกกันเกาเขาลงหัวใจมันหอบอะไรเจ้าคนเราก็ไม่เคยเป็นเวลาเป็นมาเล่งเข้าไปเล่งนลงไปอหอบไปจนกระทั้งลมหายใจหายเงียบเลยนะธรรมดามคนนี่คิดว่าคนตายนะเรามาทราบไปตรงนี้คือว่าคนอยู่ๆแล้ว แล้วตายไปเลยหัวใจวายกบาลมันคงเป็นลักษณะที่เราเป็นนีคือมันหอบลมหายใจหมดไปเลยมันรู้อยู่ชันทันก่อนลมหายใจหมดจริงๆแต่ความรู้มันไม่หมดที่ความรู้มันอยู่นี่นี่ของเรามันมีอันนี้นะที่มันต่างกันครับทั่วๆไปของเรามันรู้อยู่นี่ดังนั้นมันจะหอบไปขนาดไหนเราไม่เผิ่ไปด้วยนี่หลักธรรมชาติทั้งมันมันยืนตัวของมันอยู่รู้ พอลมลมหมดไปแล้วความรู้มันไม่หมดมันก็อยู่ที่นั่นบังคับกันไว้ตรงนั้นแล้เดี๋ยวลมก็ค่อยมีกลับมีมาค่อยมีมานี่ถ้าเรามันเป็นมันเป็นถีเข้าไปก่อนนั้นนะว่าไงนั่นมันเป็นแต่ละครั้งมันมันก็เรียกว่ามันเหมือนว่ามันสลบทไปถ้าเป็นแบบโลกก็เรียกว่าสลบไป แต่แบบของเราเราเราไม่ได้อยากว่าสะถกเพราะเราไม่เผลอไปตัวพัวไปนี่นะความรู้าอยู่าชัดๆเหมือนมันหมดยิงลมหายใจแต่ความรู้มันมันอยู่ในนี้มันยังไม่ได้ออกจากร่างนี้นะมันลู่มันอยู่โดยหลักธรรมชาติเนี่ยถ้วมันก็ประปรองกันได้แล้วก็ลมหายใจกลับใหม่ทีนี้มันจะประปองกันได้ขนาดไหนนั่นสิเมื่อมันเหลือบ่าวพแรงแล้วมันก็ต้องทิ้งกันได้แล้วมันต้องปล่อย่ไม่งั้นพระพุทธเจ้านิพพานได้ยังไงสาวกอรหันหันท่านนิพพานได้ไง ก็เพราะาเมื่อมันสูดกําลังแล้วก็ต้องปล่อยนี่เราก็เลยคิดแนะโอ้มันคิดจรงมันมันเป็นความดําริเป็นความคิดออกมาด้วยด้วยความเราเข้าใจว่าเราแน่ใจนะว่าโอ้นี่ถ้าหากเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่นานไม่เลยเจ็ดวันในนาเพราะมันดุนแรงดุนแรงขึ้นเรื่อยๆโลกอยนี้นี่ไม่นานแน่ๆย่างมากไม่เลยเจ็ดวัน มันชักแน่เข้าไปแล้วน่ะแต่พอดีได้ยาเข้ามานี่มันก็เลยระงับลงไปหายหน้าไปตั้งแต่วันนั้นนะตั้งแต่วันที่ฉันยาเข้ามางั้นเงียไปเลยอันทีว่าหอบอยู่นะพอพแต่แต่ว่ามันไม่หายไปทีเดียวนะคือมันลดตัวมันลงเวลามันลักษณะมันจะหอกเหมือนแต่ก่อนมันพอฉันยาลงไปแล้วยาเขาลงไปแล้วนั้นมันปรากฏขึ้นมา พอปลากรุดขึ้นมาเหมือนจะหอกแต่มันไม่หอกเหมือนว่มันขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วมันก็ลงแต่ก่อนมันขึ้นนี้มันพุ่งไปเลยอย่นี้มันขึ้นมาแค่นี้มันลงแล้วต่อไปมันก็พอปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็หยุดหายไปนี่ค่อยเบาลงบาลงแบบนั้นแหละพอปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่ถึงกับหอกอย่างอย่างที่ว่าที่แรกมันขึ้นมาถึงแค่นี้แต่ก่อนมันพุ่งนะพอชั้นยาอันแล้วมันเหมือนขึ้นมาแค่นี้แล้วมันหยุดหายไป แล้วต่อมาขึ้นมาแค่นี้หายไปลดลงไปลดลงไปพอรู้สึกได้หายไปจากนั้นมาก็หายเงียบไม่ปรากฏเลยเราถึงได้ยังมีมชีอยู่ถึงป่านนี้นะไม่งั้นไปแล้วคราวนี้ดุรแรงขนาดนั้นเลยที่ดูกลางวันผมไม่นอนสองวันสาวันนั้นอืไมไม่แน่ใจนอนไม่ได้นอนก็ไปได้งิ่งเมืคืนยิ่งแล้วถ้าเราไม่แน่ใจแล้วฝืนนอนไม่ได้ นนัมันเป็นขึ้นมาในระยะ น, นั้นมันก็ไปเลยละนี่ยังเป็นย้อนไปถึง น, นี่ก็ทำให้ปร ะ, ประกาศอันอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะให้รู้เรื่องของพ่อแม่งู้บูชาแต่ไม่ใช่เราเราตีเสมอท่านนะพอให้มันรู้เงินของท่านนะที่ท่านดุดา ว, ว่ากล่าวดุดาวเพราเรานี่แหละดุเราเนี่ยตัวหนึ่งสัมพันธ์เพราะเราอยู่กับท่านในมุ้งตลอดตลอดนี่ น, นี่ผู้ใหญ่กว่าเรามีนี่ ให้เ อ, เ, อเอาผมไปมเอาผมเอาผมไปสกคนที่ไปสกุลที่สามสามคืนท่านไม่นอนคืนที่สามนี่ไม่นอกจากไม่นอนแล้วท่านนั่งพอเอาผมนั่งนั่งหน้าพอนับไปทางสกุลด้วยท่านใส่ปัญหาตรงขนาดนั้นมันก็โง่จะตายเป็นดารสีไดีนี่ความรู้ไม่ไม่ไม่เหมือนท่านมันไม่รู้ยังถึงเรื่องท่านได้สินี่จะอันหนึ่งนะงัยนเราก็โง่จะตาย พาเขาสมมุติะสมความรู้เหมือนอย่างท่านแล้วจะไปสงสัยเรื่องท่านทํานได้ยังไงมสงสัยท่านท่านไปไหนนท่านไม่ยอมนอนก็คือถ้านอนตอนนั้นมันจะไปพูดง่ายง่ายเมื่อถึงขั้นนี้แล้วนอนไม่ได้ต้องบังคับกันเต็มที่ท่านนอนก็ไปเลยพอโปร่งใจพอได้มือรถเข้ามารับแล้วฉีดยายนอนหลับไห้ท่านทัน้งเหมือนกับว่าท่านก็ ถึงที่หมายแล้วแน่ใจแล้วหนปรงใจให้เขาฉีดยาแล้วก่ไปเลยก็หลับถึงสิบนาทีมาเมื่อไหร่ฉีดยาแล้วหลับไปถึงว่อถุธรวาะเที่ยงเที่ยงวันพอดีเพราะถึงหกทุ่มกว่าท่านก็เริ่มตื่นเริ่มฟื้นออกมาจากหลับที่หลับด้วยยานะ่ะหลับตั้งแต่ตั้งแต่ฉีดยาแล้วจนกระทั่งเกืบทุ่ม สุยาก็ตอนเช้าตอนประมาณแปดโมงมั้งแปดโมงกว่าเเนี่ยหรือเก้าโมงเนี่ยเพราะตะวันหน้านั้นมันยำบุงแต่เช้านี่นะจนพุกีกาไปที่ดูไปถึง ส, สกลนค ร, รก็เที่ยงพอดีเอะเพราะรถทางก็ไม่ดีด้วยทางปล่อยลื่นไปเลยพอเที่ยงคืนทั้็ตื่นพอตื่น ก็เริ่มมีอาการแปลกๆนี่นนิดห น, น่อยให้เห็นแล้วนะั่นท่านปล่อยนะนั่ น, นท่านทอดอะไรแล้วอย่างนั้นก็นทําหน้าที่เรื่อยๆเวอรกะตีสองยี่สามนาทีก็หมดนั่นเห็นไหมนะั่นคือท่านทอดธุระแล้วปล่อยเลยไปเลยมันเหมิดมาถึงที่แล้วทํำในร่างนี่มันทำให้มันทําให้ย้อนไปดูเรื่องของท่าน เ, เพราะเรื่องของเรามันเป็นแทบ แทบจะเอาไว้ไม่ไหวหนึง่งจะว่าไงยังไม่กล้านอนเวลาเป็นชดๆร้อนๆนอี้มันเข้มยิง่งชาดๆอยู่เนี่ยมันจะไปชาดๆชๆอย่างนี้นาาาาานนบางครับกันไวจริงขนาดไหนมันรู้อยู่ขนาดนี้แล้วถ้ามันมันทํำไมมันจะไม่รู้เรื่องของพ่อแม่รูจานละ่ะนี่เอใครจะว่าเป็นบ้าก็ว่าไปสิก็มันเป็นอย่างนี้ในหัวใจมันรู้กันอยู่อย่างนี้อืกใจไม่รู้ใครจะรู้ ก็ใจมันรู้อยู่นี่จะให้วาไรเงียมันรู้อย่างนี้ก็ให้ว่าก็ต้องว่ายอย่างนี้สิถึงเวลาวาแล้วทมันจะเอาไว้ไม่ไหวมันมีนี่นะออืนอกหนีน้ทําให้วิตกมนุมนหนักเข้าหนักเข้าใครจะไปทานไม่ได้ล่ะก็ต้องปล่อยสิอย่างวุ่นวายต้องปฏิญญาผานนะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอยู่นั่นก็ทําให้คิดถึงหมู่ถึงเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องรู้าของเราเป็นยังไงยังไงหมู่เพื่อนเต็มมัดเต็มบาทคิดไปหมดนั่นแหละผมอ่ะ มันมีใครรู้เรื่องว่าเราเป็นยังไงต่อไงเพราะเราก็ไม่ได้แสดงนี่อไม่แสดงทุรนทุรายกวนกวไ歪นั่นนี่มันเป็นอยู่กับท่ากับขันมันมันเป็นอยู่กับหัวใจเราหัวใจเราไม่ได้เดือดร้อนวนวาอะไรนี่เราพูดถึงเรื่องท่าเรื่องขันต่างๆเมื่อการที่มันเป็นยังไงยังไงก็รู้กันอยู่ในตัวของเราเองมันหนักมันเบาแค่ไหนมันรู้อยู่อย่างแท้จริงแล้วก็คิดไปถึงหมู่ถึงเพื่อน วงที่จะรู้เรื่องของเรานัเนีดยจะมีน้อยมากทีเดียวในเยลานั้นว่าเรามีกันหนักขนาดไหนแล้วที่กล่าวมานี้มือเพื่อนจะรู้ได้ขนาดนั้นไหมนั่นสิมูอเพื่อนก็นให้ให้สนใ จ, จกับตัวเองนะให้เคารพตัวเองอย่ามาคอยเคารพครูบาอาจารย์นับหน้านับหลังมันทําอยู่กับตัวอยู่ในหัว ใ, ใจตัวเองดูตัวเองมันความเคลื่อนไหวอะไรๆญาติโดนตําหนิใคร ยิ่งกว่าการตํางมตัวเองไว้ก่อนเนี่เรียนมันอยู่ในตัวเองนะมันอยู่กับเรามันจะมันจะมันจะออกที่เรานั่นแหละก่อนก่อนที่จะคนอื่นจะออกมันจะออกที่เรานี่นแหละก่อนให้ดูเรา